ตอนคำพูดของท่านมหาตมะคารทีข้าพเจ้าได้แถลงให้ทราบแล้วว่าเมื่อคืนวันที่14กันยายนพุทธศักราช2514เวลา19บนาฬิกาสานาทีซึ่งหลวงพ่อสมเด็จได้เข้าทรงและเทศกันหนึ่งแล้ว ภายหลังจากนี้ท่านมหาตมะคารทีก็ได้เข้าท่งและได้พูดออกมาเป็นภาษาปัญจาบีในการแปลาภาษาปัญจาบีนี้ข้าพเจ้าได้ขอร้องให้สตรีชาวอินเดียผู้หนึ่งชื่อดีบซึ่งรู้ภาษานี้ดีและรู้ภาษาไทยพอสมควรได้ช่วยแปลให้แต่เนื่องจากสำนวนแปลที่เป็นภาษาไทยมีความหมายไม่ค่อยชัดข้าพเจ้าจึงได้กราบเรียนถามท่านมหาตมะคารทีอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีติดต่อทางสมาธิเพื่อให้ท่านอธิบายถึงความหมายที่แท้จริงในข้อความที่ท่านได้พูดในวันนั้นและท่านก็ได้การุณาอธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้ในโลกนี้คนที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสงบและมีความสุขจะต้องเข้าใจเสียก่อนว่า การที่คนเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์นั้นความสาคัญขึ้นอยู่กับความคิดของเราเองไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกและการที่เราจะมีความสุขหรือทุกข์แค่ไหนอย่างไรใจของเราเท่านั้นที่รู้คนอื่นไม่รู้และทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองเราจะต้องระมัดระวังในการแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อผู้อื่น คนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกจะช่วยให้เรามีความสุขจริงๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องคิดแต่ในทางที่ดีและคิดทำใจให้สบายอยู่เสมอข้อความที่ท่านพูดออกมานี้เราจะเห็นได้ชัดว่าถึงแม้จะเป็นคำพูดสั้นๆแต่ก็มีความหมายลึกซึ้ง และจากประสบการณ์ต่างๆที่ท่านได้ผ่านมาจนถึงขั้นที่ท่านสามารถทำใจให้สบายอยู่ได้เสมอในท่ามกลางของความวุ่นวายร้อยแ0 0 0 0ประการ น, นั้นทำให้ท่านได้หลักดังที่กล่าวมาผู้ที่ศึกษาชีวประวัติของท่านอย่างละเอียดย่อมจะรู้ได้ดีว่าท่านได้ประสบความยุ่งยากลำบากในชีวิตขนาดไหนและท่านเคยบอกข้าพเจ้าเสมอว่า ที่ท่านทำงานได้เป็นผลสาเร็จก็เพราะท่านสามารถทำใจให้สบายได้ในทุกเหตุการณ์โดยปกติคนทั่วไปไม่ได้มีความยุ่งยากเหมือนกับท่านจะเทียบหนึ่งในร้อยก็ยังไม่ได้คือความยุ่งยากของท่านมีมากกว่าของคนทั่วไปอย่างชนิดที่เรียกว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยแต่ถึงกระนั้นท่านก็สามารถทำใจให้สบายได้ เราจะเอาชนะคนอื่นได้เราต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เสียก่อนนี่คือคติของท่านและคำว่าชนะใจตนเองก็คือคิดแต่ในทางที่ดีได้เสมอและทำใจให้สบายได้เสมอไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะสุขหรือทุกข์สำคัญอยู่ที่ความคิดของตน คำพูดประโยคนี้มีค่ามากที่สุดสําหรับท่านมหาตรมะคารทีที่ท่านยกย่องหลักอหิงสาว่าเป็นธรรมะสูงสุดก็เพราะจากประสบการณ์ของท่านทำให้ท่านซึ้งแก่ใจอยู่ตลอดเวลาว่าการที่เราไม่โกรธไม่เกลียดใครไม่คิดประทุษร้ายใครมองคนในแง่ดีเสมอมีความเห็นใจและมีความปรารถนาดีแม้แก่คนที่เป็นศัตรูและความไม่โลภ คุณธรรมเหล่านี้ที่ทำให้ท่านใจเย็นสามารถทำใจให้สบายอยู่ได้เสมอและเพราะเหตุที่พื้นฐานจิตใจของท่านเป็นแบบนี้จึงทำให้ท่านมองเห็นได้ง่ายว่าคนเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์มันสำคัญอยู่ที่ความคิดของเราเองจริงๆเช่นเมื่อถูกเขาด่าเขาว่าเราจะโกรธหรือไม่โกรธมันอยู่ที่ว่าเราคิดอย่างไรถ้าคิดในทางที่ดีคิดให้ถูกก็ไม่โกรธ แต่ถ้าคิดไม่ถูกคิดด้วยอำนาจของโทสะหรือพยาบาทความโกรธก็จะมีอยู่เรื่อยๆกลากระทบกระทั่งอะไรไม่ได้ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าเหตุการณ์ในชีวิตของท่านนั้นยุ่งยากที่สุดเป็นสงครามที่ใหญ่หลวงยิ่งกว่าสงครามใดๆที่นักรบคนอื่นๆเคยผ่านมาแล้วเพราะนักรบคนอื่น คิดแต่จะเอาชนะศัตรูภายนอกแต่สำหรับท่านมหาตมะคารทีท่านคิดรบกับข้าศึกภายในซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาและเพราะเหตุที่ท่านได้ชัยชนะต่อข้าศึกภายในจึงทำให้ท่านมีสติปัญญาปลอดโปร่งลึกซึ้งมองเห็นการไกลในอันที่จะแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆได้เป็นผลสำเร็จท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาบุรุษของโลก ไม่ใช่เพราะเหตุแต่เพียงที่ท่านกู้อิสรภาพให้แก่อินเดียได้เป็นผลสำเร็จผลงานเพียงแค่นี้คนอื่นก็อาจจะทำได้แต่ผลงานอีกอันหนึ่งซึ่งยังไม่มีนักรบหรือนักการเมืองคนไหนทำได้เป็นผลสำเร็จก็คือการสู้รบกับค่าศึกภายในได้ประสบชัยชนะภาพของท่านมหาตามรมคารทีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นภาพประทับใจของคนทั่วโลกก็คือการแต่งกายในสภาพของคนธรรมดาที่สุดและบนใบหน้ามีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะพบกับใครและมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราจะลเห็นแต่ดวงตาที่แจ่มใสและแสดงถึงความเมตตาการุณาและแสดงถึงความสุขในใจเพราะฉะนั้นในเมื่อเราได้ทราบถึงชีวิตของท่านมาอย่างละเอียด และได้มาฟังคําพูดของท่านเพียงสั้นๆดังที่กล่าวมาแล้วจึงทำให้เราเกิดความประทับใจในหลักของการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดและสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยถ้าเราตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคาแนะนำของท่านจริงๆเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปแต่อย่าลืมว่าคนที่จะทาใจให้สบายอยู่ได้เสมอ ER นั้นจะต้องหัดคิดแต่ในทางที่ดี และที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องพยายามกำจัดความโกรธความเกลียดและคิดประทุษร้ายต่อผู้อื่นให้หมดไปจากจิตใจของตนเพราะเราจะสุขหรือทุกข์ไม่ใช่สำคัญอยู่ที่คนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกความจริงข้อนี้ดูเหมือนใครๆก็เข้าใจเพียงแต่ว่าความเข้าใจอันนี้มักจะลืมเลือนไปได้ง่ายเท่านั้นเพราะฉะนั้น จะต้องหมั่นคิดบ่อยๆจนกว่าจะกลายเป็นนิสัยและรู้สึกทราบซึ้งจริงๆอันหนึ่งนอกจากดีฟจะช่วยแปลเป็นภาษาไทยซึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวสำนวนใหม่ตามคำแนะนำของท่านมหาตรมะคารทีโดยวิธีติดต่อทางสมาธิดังที่ได้เขียนมาให้ดูนั้นแล้ว เขายังช่วยเขียนเป็นอักษรของอินเดียดังที่นำมาลงพิมพ์ไว้ให้ดูในหนังสือเล่มนี้จากการที่เขาเขียนเป็นตัวอักษร อ, อินเดียออกมาได้นี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าเขาฟังรู้เรื่องจริงๆสำหรับคำแปลที่เป็นภาษาอังกฤษข้าพเจ้าได้ขอร้องให้คุณโกลเวอร์ให้มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อฟังคาอธิบายจากท่านโดยวิธีติดต่อทางสมาธิ เพื่อให้เขาได้แปลคําพูดของท่านเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเพราะเท่าที่แปลไว้คราวก่อนท่านบอกว่าคําบางคํา ค, ความหมายไม่ชัดซึ่งอันที่จริงก็น่าเห็นใจเพราะคําที่ท่านพูดเป็นภาษาปรชาัชญาการที่เราจะใช้คําพูดให้มีความหมายลึกซึ้งจะต้องเข้าใจเรื่องปรัชญาจริงๆและจะต้องรู้ภาษาอย่างดีด้วยด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงของร้องให้เขาแปลใหม่โดยอาศัยคําแนะนําจากท่าน ภาษาของอินเดียซึ่งได้ถอดออกมาเป็นอักษรของอินเดียดังที่เห็นอยู่ในหน้า24นี้ดีฟซึ่งเป็นสตรีชาวอินเดียเป็นคนเขียนอักษรนี้ข้าพเจ้าได้นำไปให้คุณโรงสัจจมาร์คดูอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งเปิดเทปที่บันทึกเสียงของท่านมหาตามาคานทีให้ฟังด้วยคุณรงยอมรับว่าฟังเข้าใจทุกคาพูดแต่บอกว่า ไม่ใช่เป็นภาษาปัญจาบีทั้งหมดมีภาษาฮินดีปนอยู่ด้วยมากเขารับว่าจะถอดให้ใหม่เพราะเท่าที่ดีปเขียนมานี้ยังไม่ใช่ลอกคำต่อคำและจะแปลเป็นไทยให้ใหม่จากคำพูดในเทปคุณณรงเป็นคนอินเดียที่รู้ภาษาไทยดีมากเพราะได้เขียนตาราทางศาสนาซิก ข, ขึ้นมาหลายเล่มโดยเขียนเป็นภาษาไทย และรอบรู้ในภาษาปัญจาบีและภาษาฮินดีเป็นอย่างดีทีเดียวคุณรงค์โดยอาชีพเป็นพ่อค้าแต่ก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการศาสนาทั้งในทางศาสนาพุทธและศาสนาซิก